วันที่ฝนตกชุกแล้วนั้นพี่น้องชาวถิ่นนี้ก็เดือนพฤษภามิถุนานี่ก็เป็นเดือนที่ลงทําน า, าทํานาแล้วเพราะนั้นเราจะมาจัดงานในขณะที่พี่น้องกําลังทําไร่ทํานาก็เป็นการลบกวนพี่น้องจัดทายาดโยมลูกหลานเพราะนั้นเราต้องทําถูกการสถานที่บุคคลกาละเทศะพวกเราจรึงได้ไปชมกันว่า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 ที่มาร่วมงานในวันนี้นับว่าเป็นชลิเป็นมงคลสำหรับลูกหลานของพี่น้องชาวบ้านมวยทรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง, ง, ด, ง, งดวงพ่อเองอทำไมพวกเราจึงเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาในคุณแม่พาอคุณแม่สรุปแล้วก็คือเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีฮิลริคือความละอายแก่ใจอ ต, ตะปะคือความกลัวต่อบาศ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 ถ้าว่าสมถติธรรมนะภาวนาสมถติธรสมรถะและวิปัสสนาสมถะคือทําจิตใจให้สงบวิปัสสนาคือกั้นกรองไตรตรองเหตุและผลอันนี้สมถะคือทําจิตใจให้สงบนั้นหลวงปู่มั่นสอนว่าให้ภาวนาอาณาปานสติกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้เรียกอาณาปานสติ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 แถ้าว่าสายอื่นกขว่ายุบหนอะพองหนาะบางทีก็กําหนดเรื่องสติีบางคนก็กําหนดตัวเจตสุดแท้แต่ผู้ที่จะแนะนําสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิผิดไหมไม่ผิดนะขันศรัทธา ญ, ญาจโจมลูกหลานหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าการแนะนําสั่งสอนกรรมฐานเหมือนกับการแนะนําาทงการทํามาค้าขายนั่นแหละในการทํามาค้าขายแต่ละคนไม่เหมือนกัน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 ที่เป็นพี่ชายเขาถามว่าบวชไหมชุดแท้แต่พระพี่จะให้บวชก็บวชครับเออเอาบวชช น, นะอา่าไปบวชเจาการสั่งไปโมกอานนท์สารีบูตรโมกขลาบวชนทันทะจากนั้นพระนันทาก็เลยบวชเหงอนัันเอะพ่อบวชเสร็จแล้วก็อยู่ในวัดหลจะจ้ะนี่นางรู ป, ปนานันทาก็ไม่ได้แต่งงานเลยเ แต่พระเจ้าจุโทธนาก็เสียใจอยู่เหมือนกันเอเราก็คิดว่าจะให้นันทะเป็นผู้แทนเป็นน้องชายแทนปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินฮะอ่ากนั้นก็ต่อมาเ่บพระเจ้าจุโทธนาก็ท่านก็เสียใจะะเลยก็อยังเหลืออยู่ลาหุนราหุนคือลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังเป็นลาหุนอเอาต่อไปราหุนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก็ดีละ เ, เมื่อ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 พอเดินไปแล้วไปพระพุทธองค์พาไปชั้นสวรรค์เ่ยไปดูสาวสวรรค์เหมือนน่ะเออพอไปเห็นพวกเทวบุตรมาต้อนรับนางสาวเทวดาสั น, นสวรรค์เลยมากับเทวบุตรเยเท ว, วดาก็มากราพระพุทธเจ้าเนยโอ้โหสวยงามมากเลยแต่นี่ยนันทะพระพุทธองค์ก็ถามว่านันทาเห็นไหมเห็นสาวสวรรค์ไหมหเห็นพระเจ้าข่า เป็นไงสวยไหมโอ้สวยจริงๆพระเจ้าขา่ากับนางรูปะนันธาที่เป็นน้องสาวของเธอใครสวยกว่ากันพระองค์กระซิบถามนะใครสวยกว่ากันโอ้ยนางรูปะนันธาเหมือนกระลลงอยู่ในตอไม้นะพระเจ้า ข, าขา่าคนนสาวสวรรค์นี่สวยกว่าจากนั้นก็พอเสร็จแล้วก็เออเอาไปถ้าหากว่าเธอนะปฏิบัติพรมปรจันนะไม่ศึกนะ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 สาวสวรรค์ชั้นนี้ทำไมสวยขนาดนี้พระงนะองค์สวยไหมโอ้ยสวรรค์เมื่อสวรรค์เมื่อคราวที่แล้วเห็นเมื่อกี้เนะ่ะอันนั้นเหมือนกับเหมือนเหมือนกเลงอยู่ต่อไม้เล่พระเจ้าค่ะอันนี้โอ้หสวยจริงๆเหมือนกันเอาเถอนะนันทะถ้าว่าเธอปฏิบัติทมนะ เ, เรารับรองออสวรรค์สาวสวรรค์ชั้นนี้ได้แน่นอนถ้าเราเรารับประกันครับผมจากนั้นก็ขึ้นไปอีกจันดูสิ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 นันทาก็บอกโอ้พระพุทธองค์พาไปสวรรค์ถึงชั้นรุสิษฐ์โอ้สาวสวรรค์สวยมากพระพุทธองค์รับประกันว่าอถ้าว่าผมไม่ศึกนะผมจะได้ ส, สวรรค์ชั้นไหนก็ได้ผมก็เอาเอาชั้นสูงๆนะ่ะสวยกว่าทุกๆชั้นคือสวยขึ้นไปเรื่อยๆมาเอออันนี้ก็คือพระนันทะจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็พูดเลยตอ น, นี่นันท์เป็นไงสาวสวรรค์สวยไหม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 ท่านมรณภาพไปแล้วพวกเราได้ไปชุมเพิงท่านอธิษฐานของท่านเลยกลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นหลวงปู่สารก่อดเเป็นพระธาตุหลวงตามมหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ต่างๆอธิษฐานของท่านเลยกลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นต่อหน้าต่ อ, ต, อต า, าแสดงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่องคหลวงปู ffer, ่สาวหลวงปู่มั่นมาเป็นสายของพระหรหันติปฏิบัติธรรมนำรำคําสอน